ที่ชื่อว่ามีอายุหย่อนกว่า20ปีคือผู้มีอายุไม่ถึง20ปีภิกษุตั้งใจว่าจะอุปสมบทให้สแสวงหาคณะอาจารย์บาทหรือจีวรหรือสมมุติสีมาต้องอบัตทุกกฎจบยัติต้องอบัตทุกก ฎ, จ บ, ออบกกฎจบกรรมวาจาสองครั้งต้องอบัตทุกกฎสองตัวจบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายเข้าประชาต้องอบัตปาจิตตีคณะและอาจารย์ต้องอบัตทุ ก, กฎ